กีนหลวงปู่บุญมาท่านก็เทศหมดแล้วหลวงพ่อจะเอาคำไหน้นาะมาพูดให้ลูกให้หลานคณะจันทศญาณยามฟังเนาะท่านพูดหมดแล้วอ่ะขณะที่ฟังเทศฟังธรรมให้ลูกหลานอยู่ในความสงบถ้ามีกล้องถ่ายรูป ก, ก็ถ่ายขณะที่หลวงพ่อกำลังพูด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 ฝั่งนรจีอายุหลวงปู่ของเรา80ปีปีนี้ถือว่าเป็นปีมงคลมาหามงคลอย่างยิ่งเพราะนั้นพวกเราทุ ก, กท่านมาถึงแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ น, น้อมลำลึกถวายเป็นอาจารยระยะบูชาน้อบจิตน้อมใจเพื่อบูชาพระโลองหลวงปู่ของพวกเราเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลสาหรับตัวของพวกเราท่านทั้งหลายด้วยนะ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 ได้มากราบหลว ง, งปู่ของพวกเราหลวงปู่ของเราก็เป็นปุชนียบุคคลที่ท่านปฏิบัติตีปฏิบัติชอบเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่ฟั้นแล้วก็ครูบาอาจารย์จนอายุถึงปูน่นี้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุถาดเราพวกเราท่านทั้งหลายที่หลุงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาสิทธิ์ที่ว่า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 คือบัณฑิตนักปราชัพวกเรานำจุดไหนตรงไหนนำมาประพฤติปฏิบัติล้วนแล้วจะเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งให้พวกเราเข้าไปคบค้าสมาคมกับบัณฑิตนักปราชคือศีลคือศีลและวินยัยรือว่าพระธรรมแป0ี่พพระธรร ม, มขันธ์อันนี้แปลว่าบัณฑิตานันจะเสวนาควรจะเข้าไปคบบัณฑิตนักปราช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 ก็อายุมากแล้วก็คงจะอีกไม่นานคงจะทิ้งให้พระองค์พระองค์ก็คงจะรับไปทว่าองค์ครองราชแล้วก็คงจะทิ้งให้าราชสมุด ต, ต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเพราะหลายช่วงโคตรแล้วที่ครองราชมาพระองค์มองเห็นทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมเห็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็เห็นคนแก่อีกต่างหากที่นในขณะที่ครองราชสมบัติ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 แต่นี้พระเจ้าสุโทธทนาเน่ยเขาว่าศาสนานี่ในยุคสมัยนั้นมีทั้งชื่อฤาษีชีภัยมีทั้งชีปงชีเปืยมีมากมายอย่างพวกเราเห็นอย่างอินเดียทุกวันเนี่ยพระเจ้าสุโทธทน า, าไม่ปรารถนาอยากจะเห็นอยากจะเห็นที่เป็นวันนักโทษนักบวชนั้นอยากจะเห็นเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงธนุถนอมลูกชายของท่านคือไป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 ใส่ไม้เท้าหลังค่อมแล้วลกกับผมขาวฟันไม่มีอีกต่างหากหนังเหี่ยวยน่นท่านไม่เคยเห็นมาก่อนจิดทศาวันนี้เป็นเป็นอะไระช น, นะนี้คืออะไรทําไมไม่เหมือนคนแต่คนทําไมไม่เหมือนคน อ, อชิดชั้นหน้าเขบอกว่าอันนี้คนแก่พระเจ้าค่าฮะฮ้ยทำไมแก่คนเกิดมาถ้าไปตายง่ายก็แก่อย่างนี้ล่ะพระเจ้าค่ะ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 พระ อ, องค์ก็ไม่เว้นเหมือนกันอีกสักวันก็คงจะเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยจะหาความสุขได้อย่างไรแน่มองเห็นปาดปาดกับแน่กับเวียงวังอีกไปคิดอีกคิดหาวิธีการว่าจะทํำยังไงจะไม่เจ็บไม่ป่วยพระนเรศก็คิดไม่ออกเหมือนกันแน่แต่นั่นก็นวันที่สามก็ไปอีกถึงไปข่าวนี่เห็นแต่คนตายเขาหามใส่เปผ่านไปแน่คงจะ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 พอไปท่านก็ไปทั้งกลับมาอีกนะพอกลับมาขาวนี้อีกพอไปครั้งที่สี่เนี่ยพอไปไปเห็นส ม, มณะคือนักพลดนักบวชสมมณะคือนักพลท่านไปนั่งอยู่ที่โคลนต้นไม้ต้นไม้อยู่ตามลำพังอยู่นั่งคัดจามาธิแล้วก็สำรวมนั่งนิ่งท่านก็นั่งรถไปผ่านท่านก็มองเห็นอันนั้นเป็นใคร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 จุดติอยู่ที่ปลายจมูกความรู้สึกนึกคิดอยู่ที่ปลายจมูกไม่ให้ออกไปทางนอกจากนั้นพระทายใจของพงรวมสงบลรงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมเป็นหนึ่งเกิดยาณทัตเกิดญานทัศนาเกิดฌานความรู้ความรู้พิเศษขึ้นมาจะว่าปุเพนิวะสารุจติยานลึกลำลึกชาติ้นหลังได้กลักของพุทธศาสนาพวกเราฟังเอาไว้ตายแล้วไม่สูงเพราะอะไร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 อวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามารูปังจนถึงโสกะปริเทวทุกขโทมณจุการร้องให้พิไรรำพันอันนี้คือปลายเหตุแต่มันมาเกิดมาจากตัววิชชาคือตัวไม่รู้คือตัวโง่นแต่ได้พระองค์คอดูแล้วว่าตัวตัวนีน้ใจดวงนี้มันเกิดมาอย่างนี้แล้วจะทำวิจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร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 ตอนจวนสว่างในวันเดือนหกเพนนนั้นนี่แหละพระพุทธองค์ได้ยานรัตนะได้ยานสามอย่างคือปุเพนิวาสานุจติญาณจุกตูปะปาตญาณอาสาวกทยญาณ น, นี่แหละอันนี้คือพุทธคือกระจกกระจกเงาบานใหญ่กระจกเงาบานที่สองก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราทีนี้ที่พวกเรานำมาประพฤติปฏิบัติหลวงปู่มั่นูหลวงปู่เสาของเรา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 แต่ถ้าเรมาบังคับให้มันอยู่เออมันอยู่ได้ยากวันแรกเหมือนอกจะแตกทันวันนะวันที่สองโอ้โหไม่แพ้กับวันก่อนพอวันที่สามเข้ามารู้สึกเบาเบาขึ้นจิติทันพอถึงวันที่สี่เนี่ยยิ่งเออทันเลยทีเนียเออจะติทันทันตัวผู้รู้จากนั้นก็พอรู้แล้วดูใจของตัวเองเออเขานี่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 นั่งทั้งคืนก็ได้ครับผมเฮ้เวลามันสงบแล้วนำมาพิจารณาถอนมาพิจารณาทางด้านปัญญานะถอนออกมาทางวิปัสสนานะจะไม่ทำให้มันสงบอย่างนั้นไ ม, ไ, ไม่เกิดประโยชน์หรอกเหมือนกนเราไปนอนอยู่ในห้องแอร์อย่างนั้นล่ะมันไม่ได้ทำการทางานผลของงานจะเกิดมาได้อย่างไรถ้าว่าเราไม่ทำงานนะออกพยายามบังคับให้มันออกนะให้นำมาพิจารณา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 พระกฤดีสมเด็กฤีบวชเข้ามาในพุทธศาสนาท่านจึงให้พิจารณาให้กรรมาฐานห้าเป็นเบื้องตน้นว่าเกสาโลมานาขาทันตาตะโจและให้ย้อนอีกตะโจทันตาหน้าขาโลมาเกสรเอานี้เอาวันนี้เพียงแค่นี้พ อ, เ, อ, อเพราะว่ามีเวลาน้อยท่านให้กรรมาฐานห้าจากนั้นมาอุปชาอาจารย์คูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้ค้นคิดดูนะมันไม่ใช่ว่า มันมีนั่นนะเจสาโลมานขาตัานตาตาโจเอเจสาผมโลมาขนขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเจือในกระดูกแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายจากนั้นก็แยกส่วนแบ่งส่วนของกระดูกอีกให้เป็นกองๆให้เป็นนโซนให้เป็นนั่นแหละให้รู้ซิว่าผมเป็นเราใช่ไหมขนเป็นเราใช่ไหมเล็บเป็นเราใช่ไหมหนังเป็นเราใช่ไหมกระดูกเป็นเราใช่ไหม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 อาโปธาตคือธาตุน้ําเตโชธาต์คือธาตุลมเตโชธาต์คือธาตุไฟวายโยธาต์คือธาตุลมนี่แหละอันนี้คือร่างกายของเราเนี่ยมีธาตุสี่อยู่ในตัวของเราสรุปแล้วก็คือใจของเราเนี่เป็นผู้รู้คือตัวนามธรรมมาครองธาตุสี่มาอยู่ในธาตุสี่เมื่อครองไปครองมาครองมาคองไป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 จากนั้นพวกเราก็ได้นำมาประพฤติปฏิบัตินามาภาวนาปรปับปรุงกายวาจาใจของเราได้เห็นท่านได้ทาให้ดูอีกต่างหากหนังง่งอย่างไรปฏิบัติอย่างไรอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์ที่พวกเราเห็นต่อหน้าต่อตาของพวกเราเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างสาหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอ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 อยู่ในประเทศที่มีอาหารการบริโภคสมบูรณ์และก็มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองประเทศชาติเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริ ย, ยธรรมที่ดีคือเราตั้งความปรารถนาในอดีตชาติเพราะเราจะได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแต่ว่าพวกเราเไม่มีปุญนะอาจจะไปเกิดแถวแอฟริกาท้องโตๆหั ว, ว, ว, วหใหญ่ๆขารีบๆตัวดำๆและไม่มีเสื้อผ้าอีกต่างหาก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 จับในที่รับจับในที่แจง้งจับในที่ไหนๆก็ร้อนทั้งนั้นเพราะมันเป็นไฟน้ําแข็งก็เหมือนกันจับนักที่ใดมันก็เย็นพื่ออะไร เ, เพราะมันเป็นน้ําแข็งอนี่ก็เหมือนกันการกระทําความชั่วทำนักที่ใดก็ตามมันเสียหายเพราะฉะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านนะได้เกิดมาได้พบพุทธศาสนาประกอบคุณงามความดีให้เล่งให้ภาวนาอย่างที่หลวงปู่บุญมาที่ท่านพูดนะ